ท่านฟังที่เคารพคะเรามาสู่ช่วงเวลาของการที่จะได้พบกับพระอาจารย์เผยบุญอภิปุโนกันในรายการสัสนิสนทนาดิฉันสันนิษฐานาพงจะกลับเตรียนถามคําถามต่อท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้นำผู้ทวจนะมาขายความกระจาญให้เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะคะ่นะนวัสการกับท่านเผยบุญคะใช่อจรย์บอค่ะท่านเผยบุญอยู่วัดป่าดอนหายโศกน้องหานอุดรธานีคะ ตอนนี้อากาศที่นี่ก็จะขึ้นๆลงๆบ้างเนะช่วงอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ป <คะ S 1> รับตัวกันไม่เที่ยงจริงๆนะคุณยมติวเนาะค่ะช่วงนี้อากาศได้แสดงให้เห็นถึงอันนี้จังสูงใช่ท่านะเราสามารถจะดูดินฟ้าอากาศเนี่ยแล้วพิจารณาไตรลักษ์ได้ไหมคะหรือว่าต้องพิจารณาแต่ตนเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของไตรลักษ์แล้ว ได้ทุกอย่างเลยนะพระรูปเจ้ายังเคยพูดถึงอนิสงของการที่อยู่ป่าเนี่ยจะสามารถเห็นพวกดวงดาวอะไรต่างๆแล้วกเ็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไดอ้อย่างคนที่อยู่ใต้คนไม้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประจาเนี่ยนะจะเห็นดวงจันทร์ทุกวันแล้วเขาก็จะเห็นใบไม้ตกใบไม้ร่วงอะไรเนี่ยยิ่งโอ้ยเห็นอณนิจังรได้ง่ายก็เท่ากับว่าเราไม่จาเป็นต้องอยู่ป่า แต่เราสามารถที่จะเห็นอ น, นิจจังได้เช่นเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีความเฉลียวใจที่จะเห็นหรือเปล่าถูกไหมคะบา <c oughs> งคนบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเส้นผมบางภูเขาคือเหมือนอกับว่าจริงๆมันอยู่ข้างหน้าเลยเป็นของใหญ่ด้วยสามารถเห็นได้ชัดแต่มันมีอะไรนิดนึงมาบังตาเราทําให้เราไม่เห็นออ ม, มันบังปัญญาเราตรงนี้ที่บังเราอยู่เนี่ยคือคือทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เหมือนคอใครเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันนิดเดียวนะซึ่งถ้าเอาออกนิดเดียวก็เห็นเลยอะ่ะค่ะถ้าอาจารย์คดิฉันเนี่ยจะชอบคำแปลของคุณลักษณะของพระธรรมของพระพุทธองค์ในบทสรรเสริญพระธรรมซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าชาวพุทธของเราหรือแม้แต่ทั้งท่านทั้งหลายที่อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ แต่มีความรู้สึกสนใจในสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าได้รู้เนี่ยแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์มากใช่ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะก็ยังบอกให้พิสุท์ทั้งหลายเนี่ยพึ่งทำพึ่งวินัยนี่แหละให้เป็นาศาสดาต่อไป เ, ออเราไม่อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ให้ธรรมะนี่แหละเป็นาศาสดาต่อไปเพราะนั้นแมมเราเป็น เรียกว่าสาวกของพรุทธเจ้าอนะนังสือศาสน า, า, าพุทธใช้คําพุทธวจนะเนี่ยต้องเอาธรรมะนี่แหละมาปฏิบัติตอืค่ะก็เป็นบุญค่จริงๆเมื่อท่านเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของดิงซ่าอากาศเปลี่ยนเห็นอันนี้จังเนี่ยนะคะค่ะทิะฉันต้องขอพูดต่อในเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าก็คงอยู่ในใจของคนหลายคนโดยเฉพาะตอนที่แผ่นดินไหวญี่ปุ่นเกิดขึ้นใหม่แล้วอากาศเกิดมาแปรปลัวในประเทศไทยตามมาติดๆขวัญเสียกันไปหมดเลย ดิฉันเองอยังนึกเลยว่าเอ้ยนี่ถ้าเราเกิดเป็นรัฐบาลนะคะเราอาจจะต้องจัดการสู่ขวัญคนไทยกันอย่างยกใหญ่แต่ในฐานะที่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะรายการเล็กๆรายการหนึ่ง อ, อยากจะกล่าบเรียนถามท่านว่ารายการของเราเนี่จะสู่ขวัญคนไทยที่ขวัญกระเจิงกลัวจะเกิดอาเพศขึ้นในบ้านในเมืองยิ่ง ม, มีคาทานายอย่างนู่นอย่างนี้ คนคนที่กลัวเนี่ยคนไเป็นไงคะคนคนที่กลัวคุณโยมติ๋วเพราะอะไรหรู้ป่าเพราะว่าเขาไม่มีทางออกเขาไม่มีทางแก้เขาไม่มีทางที่จะหันหน้าไปไหนอ่าก็จต้องบอกให้ชัดเจนว่าทางแก้มีมีแน่นอนนะให้เราไม่ต้องมามีปัญหากับเออเรื่องพวกนี้อีก แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็จะไปสู่ที่ดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอางั้นก็เอางี้สิทางแก้มีอยู่แล้วก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งเวลาเวลามีปัญหานะอย่าไปหันหารัฐบาลนะสมมาสมพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ให้รัฐบาลของพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยมามาช่วยไม่ได้ให้รัฐบาลของพระเจ้าอาชาตศัตรูไม่ได้รัฐบาลของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาช่วยประกาศศาสนานะหรือมาช่วยรักษาทําให้ศาสนาอยู่ได้ แต่พระองค์ใช้ธรรมชัวินัยที่พระองค์เนี่ยบัญญัติเองเหมือนการเรามีปัญหาในชีวิตใช่ไหมเอานี่เลยธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยประกาศไว้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะโดยการทํำยังไงเอาทำไงก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งเอาเอาง่า ย, ายๆสุดๆเลยนะพูดดีคิดดีทดําดีเวลาเรามีปัญหาในชีวิตถ้าเราพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยเราจิตใจเราจะสบายกว่าคนที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ย ถ้าเราจะรอดเนี่ยคนจะรอดเนี่ยคือคนที่ทำดีนะแล้วก็คนคที่ทำไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังรอดอยู่แนตะ่เขาก็ไม่มีความสุขแต่คนดีถึงแม้ว่าจะอ่ากายนี้จะแตกดับรับขันไปเนี่ยก็ยังไปสู่ที่ดนะีเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าแหละให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งจะค่ะเป็นโอกาสคือถ้ากลัวว่าจะได้รับภัยพิบัติไปด้วยเนี่ยก็ให้ตั้งรับด้วยการที่ เป็นคนดีเพื่อ<ช>จะได้ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีติดตัวไปใช่ใช่ถูกต้องท่านคะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยเวลาพูดกับเพื่อนเพื่อนก็จะพูดง่ายๆว่าทำไมเราจะต้องไปตนะหนกับเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นอาเพศใหญ่ๆเป็นภัยธรรมชาติใหญ่ๆความจริงแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆใครจะไปรู้ เดินไปอาจจะสะดุดขาตัวเองลง้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตเริ่มก็อาจจะมีได้ด้วยเหมือนกันรู้ไหมว่าพอพูดได้ไหมคะแล้วถ้าพรดมันทาเป็นถูกต้องอัตราความเสี่ยงอย่างอุบัติเหตุบนรถยนต์ท้องถนนอย่างเงี้ยโอ้มันยังมากกว่าพวกภัยพิบัติอันนี้นะถ้าเราพูดถึงต่อปีนะคนคะป่วยเป็นโรคหัวใจตายคนป่วยตามอุบัติเหตุตามท้องถนนอย่างเงี้ยมันมากกว่าอย่างช่วงเนี่ยสงกรานเนี่ยที่เขาจะมีอะไรเจ็ดมันอันตรายใช่ไหมคุณยมติว เขาจะต้องออกมากรประกาศเลยช่วงเจ็ดวันนี้มีคนตายเท่าไหร่โอ้มันมากกว่าอีกนี่แค่เจ็ดวันเองปีนี้เขามีปีนี้เขามีแปลกนะคะที่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็รู้สึกว่าน่าเอ็นดูดีคือเขาบอกว่ามีการเขียนป้ายห้ามตายทั้งทางเพระว่าที่ฉันจบได้ว่าเหมืนกันนะหนังสือิเป็นตำรวจเนะี่ยทําบิลบอร์ดใหญ่ๆ <c oughs> แล้วก็เขียนข้อความมานว่าห้ามตายนะช่วงเวลาเจ็ดวันเนี้ยเอาไปติดไ้วยตามที่ต่างๆ ด, ด, ดิฉันเนีจริงๆมีคำถามเดี๋ยวดูเวลานิดหนึ่งยังพอได้ใช่ไหมครับคำถามของฉันเนี่ยดิฉันจึงสงสัยว่าความตายเนี่ยถ้าในทางพระพุทธศาสนาออือคนเราควรจะเข้าใจว่าความตายนี่คืออะไรความตายอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดสั่งเหมือนว่าไม่ตายได้ไหมห้ามตายเอ่อความตายเนี่ยนะเอาง่ายๆอย่างเซลล์ในร่างกายเรานี่ หรือพวกไอไมโครสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในร่างกายเราจุลินทรีย์พวกนี้มันตายอยู่ตลอดเวลานะอะย่างมีหมอเขาเคยทำการวิจัยมาไอข้าในท้องเราอะในกระเพาะของเราเนี่ยนะเซลล์ <Okay. S 1> เนื้อเยื่อที่คุ้มด้านในอยู่ที่มันสัมผัสกับอาหารเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ6เดือนหมายความมันจะตาย <Okay. S 1> ตายแล้วก็เซลล์ใหม่ขึ้นมาตายแล้วเซลล์ใหม่ขึ้นมาทุกๆ6เดือนเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่หมดมันตายอยู่ <Okay. S 1> ทุกวินาที แล้วก็อย่างเล็บเราเนี่ยออกมาทุกทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ต้องทุกๆสัปดาห์เราก็ต้องไปตัดพวกนี้มันก็ตายออกตายออกเนี่ยเล็บเนี่ยก็เซลล์ที่ตายรู้หรือเปล่าเล็บมันงอกอยู่ทุกวั น, นก็มีเซลล์ตา ย, ยทุกวันอยู่ละถามว่าไอ้นี่คือคือสภาพที่ซ่อนอยู่ในความที่เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมั น, ม, นมีการตา ย, ยตลอดเวลามันเป็นแค่ภาพจาลองเท่านั้นเองว่าเราโตขึ้นอะไรต่างๆปริญญาบอกว่าความตายคืออะไรคือความเสื่อมไปของอายุ สิ้นไปสิ้นไปของอายุนะความแก่รอบลงหายใจเขาหาใชจออกทีหนึ่งเนี่ยก็ตายลงแล้วตั้งหลายร้อยตัวะเพราะฉะนั้นมันมีให้เห็นอยู่ตลอดไอ้ส่วนที่ป้ายห้ามตายเนี่ยมันก็ <c oughs> คงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการตลาดของของเขาอะ <c oughs> น ะ, ะซึ่งคือดิฉันเข้าใจค่ะ <c oughs> ซึ่ ง, ซ, งซึ่งถ้าห้ามเจ็บห้ามตายมันก็จะห้ามได้ในลักษณะที่ว่างั้นก็อย่ามีเหตุของเขา คุณจะห้ามการตายได้ต้องอย่ามีเหตุของการตายอะไรคือเหตุของการตายคุณติว๋วการเกิดก็ได้ถูกต้องการเกิดเป็นเหตุของความตายถ้าเราไม่มีการเกิดตายไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไล่ไปแต่เวลาจะเกิดมันอินดีมีแต่คนอยากให้เกิดคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เขารักกันมากๆอืมจะแต่งงานกันเนี่ยอฮ uh huh. รีบแต่งเลยเพราะว่าอยากให้มีการเกิดของลูกขึ้นมาสักคนหนึ่งอ๋อคะ่ะก็อันนั้นแหละจะเป็นเหตุของความทุกข์ ซึ่งกำลังจะกราบเรียนท่านว่าคนทั่วไปเขาคิดว่าการเกิดแล้วมีสุขกันท่านคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนอยู่คือการเกิดเนี่ยจะมีสุขได้ก็มีนะแต่ว่ามันมีทุกแฝงอยู่ตรงที่ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดการถ้ามันอยู่ตลอดการก็ดีน ะ, ะแต่มันไม่อยู่ให้ท่านคะอืมค่ะทีนี้เดี๋ยวถ้ากลับมาที่คำถามของในชั้นก็คือท่านกำลังจะบอกว่าความตาย ที่มันอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดเนี่ยจริงๆแล้วความตายมันอยู่ในเราเลยถูกไหมคะถูกต้อ ง, องดูเหมือนกับว่าท่านบอกว่าไม่ต้องไปรอวันข้างหน้าเลยวันนี้มันก็ตายอยู่แล้วถูกต้องเห็นได้เดี๋ยวนี้เลยอืมเล็บยาวาเอยหรือว่าเราต้องตอนต้องต้องไปอาบน้ําเนี่ยเพราะว่าความสกรปรกที่มันเกิดจากผิวหนังมันตายออกนั่นแหละคือเห็นได้ชัดเจนค่ะอืมนั้นความตายอยู่ใกล้เรายิ่งกว่า ที่เราเข้าใจไม่ต้องรอให้แผ่นดินไหวมไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตกุก็เคยมีคาถาที่พระพุทธาบอกว่าความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่มีอยู่ในความหนุ่มนะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตท่านไบบูลได้สรุปออกมาเป็นหัวข้อที่83ในหนังสือ108คถาคตรารส <c oughs> ิที่ดิฉันชอบมากนะคะท่านอ๋อค่ะ แปสิบสี่ค่ะแปสิบสี่คือท่านในนี้บอกว่าความชรามีอยู่ในความหน่มความเจ็บมีอยู่ในความไข้ใช่แล้วก็ขอขอภัยค่ะความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคอความตายมีอยู่ในชีวิตดิฉันว่าขึ้นไป้ายก็น่าแต่เข้าท่านะคะเออใช่<า>ใชมีอยู่ในชีวิตเป็นพุทธวจนะเราได้คิดจริงๆอืมใช่ใช่ใชเราส่งเสียงดังๆเลยนะคะเผื่อจะมีหน่วยงานไหนที่ เบื่อมากแล้วโอ้โหคิดสโลแกนเลยไปมันก็ ค, คล้ายกันหมดเลยลองสโลแกนพระพุทธเจ้าดีไหมคะความตายมีอยู่ในชีวิตใช่ใช่หรือหรือขึ้นนี้ก็ได้ว่าเพราะความสิ้นแปลงการเกิดจึงมีความสิ้นแปลงความตายอย่างเงี้ยนะอืมอมไม่เกิดไม่ตายออถ้าไม่มีการเกิด <laughs> ก็ไม่มีการตายค่ะแต่ว่าอย่างว่าเหรอนะครับท่านพอเป็นเรื่องของภาครัฐเนี่ยก็เข้าใจในง่ายที่ว่า จะแสดงถึงความสามารถในการที่จะทํางานตามหน้าที่บริหารให้มันเกิดผลว่าเรามีความสามารถที่เมื่อรู้ปัญหาแล้วป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดอืมใช่ใช่ใมากได้มันก็เลยปรากฏเหตุการณ์นี่คะ่ะที่ฉันเคยทํางานอยู่ในซีของรัฐบาลเนี่ยนะคะแล้วก็มีเจา้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องปริมาณการตายของคนในห่วงเทศกาลอย่างนี้นะคะ่ะอืม พอสนิทสนิทกันเข้าเขามาเล่าให้ฟังในสิ่งที่เรียนฟังแล้วเศร้าใจอืเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวว่าจังหวัดของเราเนี่ยจะมีสถิติการตายสูงออตัวเลขมันชักจะแซงหน้าใครแล้วอืมพอจะครบกําหนดเจ็วันเนี่ยต้องไปเฝ้าคนไข้ที่อาการหนักว่าโรงพยาบาลเพิ่งถอดสายให้ยังดูเหมือนกับมีชีวิตอยู่อยู่ก่อนจะได้ไม่ไปเป็นจํานวนนับที่ไปเพิ่มปริมาณการตายน่าเศร้าไหมคะก็ไม่ได้แก้ที่เหตุ่นะ จริงๆจริงๆ แ, แล้วคุณติ๋วถ้าเราจะแก้ที่เหตุเนี่ยเรามาวัดอย่างนี้ดีไหมสมมติว่าในช่วงเจ็ดวันอันตรายเนี่ยแทนที่จะวัดที่เอออยาให้มียอดจํานวนคนตายเพิ่มอะไรต่างๆเรามาวัดว่าคนที่มีศีนเรามารณรงค์ในช่วงเจ็ดวันนี้ให้คนมีสีลมากแน่นอนเลยนะถ้าคนมีศีลมากขึ้นนะการจํานวนคนที่ตายเนี่ยจะน้อยลงมากเอาแค่ไม่ขโมยไม่ฆ่านะไม่รักทรัพย์ไม่ดื่มเหล้าไอตัวไม่ดื่มเหล้าเนี่ยประจําเลย ถูกไหม ช, ช่วงเ<ช>ทศ ก, กาลต่างๆเนี่ยรณรงค์ไม่ให้เป็นอย่างนี้เอาเครื่องมือมาวัดเลยทำไงให้จหังหวัดของฉันหน่วยงานของฉันบริเวณที่ฉันดูแลเนี่ยมีคนที่มีศีลมากมากแล้วโอ้โหทุกอย่างจะลดทั้งไม่ว่าจะเอาแค่ไม่ตายนะเอายากรรมต่างๆลดก็ดีความต่างๆลดทุกคนต่างๆมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ไม่ต้องพูดถึงลดลงไปด้วยเลยนะดีออกจะกตายให้คน<อ>มีศีลดิฉันว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะถ้าหากว่า จะมีผู้บริหารท่านไหนผู้ว่าราชการจังหวัดไหนเนี่ยเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะเราจะใช้วิชาพุทธเจ้าเนี่ยไปทำงานของเราให้โดดเด่นและเป็นนวัตกรรมออกแบบเหมือนใหม่ไม่มีใครทำเนี่ยได้อย่างไรเข้าท่านะคะับใช่ถูกต้องแต่ดูคือบังเอิญท่านก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในคำสอนพระพุทธองค์ดิฉันก็ศรัทธาก็เลยเข้าท่าไปในทางเดียวกันถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเห็นดีด้วยเนี่ยนะคะ ก็ช่วยกันสนับสนุนแนวทางนี้แล้วช่วยผู้ว่าคิดด้วยก็ได้อเผื่อว่าจะได้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนถูกต้องอืดีไหมคะนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะคะกับสังคมโดยรวมเลยคําถามของคุณนิดนิดติดค้างไปวันหน้าก็แล้วกันนะคะในมสการของพระคุณพระอาจารย์ภับูรค่ะแต่เรีนฟังในมหการค่ะทส้นฝังที่ครบค่ะและนั่นก็คือพระภัยบูรณ์อภิปุณโณนะคะซึ่ง ท่านเป็นพระอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศน้องหานอุดรธานีที่วัดของท่านนั้นก็จะเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วในการปฏิบัติธรรมนั้นจะมีการนำเอาพุทธวจนะเนี่ยคะ่ะไปสอนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ในส่วนของรายการของเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ ซึ่งก่อนจะจบรายการทุกครั้งก็จะประกาศว่าคำถามของท่านนั้นเราพร้อมนะคะที่จะตอบให้ท่านส่งไปที่ w w w p u e i d h a m m a c o m 1 0 6หรือว่าท่านจะส่งมาที่022690006ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนี้ท่านสามารถที่จะขอหนังสือมาได้ตอนนี้แจกวันละ3เล่น3ท่านหนังสือ9้าวย่างอย่างพุทธ รวมพุทธว จ, จะนะกว่าสี่สิบบทนะคะสี่สิบระสูตรแล้วก็ยังมีเอ3สาเป็นการรวบรวมการสนทนาธรรมการแสดงธรรมของทั้งท่านภพบู์แล้วก็ทั้งของพระจารย์ครกสต์ในช่วงที่มีการเดินทางไปสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยอันนี้จะแจกให้กับ5ท่านท่านละหนึ่งแผ่นติดต่อขอกันเข้ามาที่สถานวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ก็แล้วกันนะคะ สำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะคุณทวนสวัสดีค่ะ